พระธรรมเทศนาแผ่นที่62ลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่26มิถุนายน2557มีชื่อเรื่องว่าเดินตามนักปราชแล้วจะไม่ขาดทุน วันนี้เป็นวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันพระเดือนเจ็ดดับแรมส4บ่ําำเดือนเจ็ดแล้วก็วันส5ข่้าำข้างหน้าเป็นวันเข้าพรรษานะข้ารัทธาญาติโยมลูกหลานแล้วก็เมื่อวาน หลวงพ่อแจ้งข่าวเรื่องสมาชิกของพวกเราได้จากไปสมาชิกในวัดของเราคือหมาไอ้บอตกับแบสองตัวที่อยู่ในศาลาของเราก็เลี้ยงมาหลายปีได้มาทีแรกคนนก็เข้าโรงเรียนนะโรงเรียนต่อชอดอเป็นหมาที่ละว่าใช่ได้ไม่เคยกัดผู้คนแต่พอกลางคืนท่านั้นจึงเห่า คนมาแปลกหน้ากระห่าวโวกเวกตามภาษีภาษาถ้าเราเรียกมันมันก็จุดเป็นหมาที่ว่ารู้จักภาษาคนพอสมควรเลี้ยงมาคงจะเข้าเจ็ดปีมเมื่อปีห6ปลายปีรู้สึกว่าแบรท้องมนันก็เรียกว่ามาน้ำท้องโต ส่งไปรักษาที่จังหวัดขอนแก่นสองสามรอบรู้สึกว่าดีขึ้นเขาก็ว่าเป็นพญาธิในหัวใจประญาธิในหัวใจหมาแล้วก็ไปรักษาหลายเที่ยวก็รู้สึกว่าดีขึ้นหายเป็นปกติแต่หมอเขาก็กําชับอยู่ว่าอย่าให้ออมันวิ่งเต้นแล้วกระโดดโลดเต้นมากจนเกินไปทําให้หัวใจมันจะ ล้มเหลวเพราใจวายแต่ก็ยังว่าพระแต่จะไปห้ามหมาได้ยังไงฮช่ว่าก็ปล่อยตามไปสีบประสาของมันแต่เมื่อวานวันก่อนไอ้บอตที่เป็นเพื่อนมันน่นมันถ่ายไม่ออกเนี่ยพระก็เลยติดต่อไปทางหมอทางขนแก่นที่เคยรักษาเ้าก็เออเอามาทั้งสองตัวนั่นแหละไอ้ทั้งแบรด้วยเอามาตรวจเช็คล่างกายมันด้วย แล้วก็บวัตก็มาที่มันถ่ายไม่ออกออกมาด้วยกันเมื่อวานว่ากูบาจะพาไปคอนแก่นอ้หลวงพ่อนั่งอยู่ที่ศาลาตอนเช้านะดีอกดีใจอแอบรกระโดดขึ้นกระโดดลงจากรถที่มันจะได้ขึ้นไปแต่เมื่อไปอยู่คอนแก่นเขาก็เป็นเป็นดาวของโรงพยาบาลนะเป็นหมาที่รู้จัก ภาษาคนให้ข้าว่าใครเขาจะให้ทําอะไรมันก็ทำํำเป็นที่ยอมรับของคนของหมอขาเนี้ยมันก็คงอยากจะไปหาหมออีกมั้งเสียงร้องรั่นเมื่อวานตอนเช้าหลวงพ่อไอ้หมารม้องทาไมถามว่าหมาดีใจมันจะได้ออกนอกวัดเนะี่ยหมาก็ดีใจเหมือนกันน้ําจะออกไปเที่ยวแต่ที่มันก็ไปกับครูบาครูบาก็ไปสององค์ ไปก็ไปรักษ า, ร, กษารักษาเสร็จแล้วก็กลับมาเมื่อคืนนี้เมากลับมามันกระโดลล ด, ะะโดลงจากรถนกระโดดลงจากรถปิกอัพธรรมดานะมักไ็ไปไปถ่ายไปเยี่ยวในป่าของมั น, น่ะมาเลยมันก็ต้องเอาไปหนักไปเบาพ่อกลับมาน้ํำลายฟูมปากพลาบกอกน้ำลายฟูมปากแล้วขาแข็งเลยเจ้าแบก็ลเลยตาย ตายลักษณะหัวใจล้มเหลวหรือปอดฉีกก็ไม่รู้ละ่ะแต่พระก็เลยรียบโทรไปบอกหมอทางคนแขนอาการอย่างนี้เป็นยังไงหมอเขาก็บอกว่าสงสัยในช่วงที่กระโดดลงรถปอดมันคงฉีกในช่วงนั้นจากนั้นก็หายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกพระก็เลยขึ้นไปบอกหลวงพ่อเมื่อคืนหลวงพ่อหมาตายเอาทําไมวะพระก็เลยเล่าให้ฟัง พอมาถึงนั่มันไปเข้าไปในป่าไปเยี่ยวไปขี่ของมันนะพอกลับมาน้าลายภูมิปากไม่รู้สาเหตุอะไรเออเนี่ยนะถึงข่าวจะทำยังไงได้เอาไปฝังที่ไหนไปฝังออทางเลยสะพานไปก็อยู่ทางซ้ายมือนะแต่วนั้นมันมีสายน้าําไม่มีสายไฟขุดลงตรงไหนก็คงไม่มีอะไรขุดลงฝังจะจะทำยังไงได้ตายละ แต่ต้องดูข้างทีทวนนะไม่ใช่ว่ายังอ่อนๆไปฝังมันไม่ได้นะถามพระพระบอกว่าตัวมันแข็งแล้วกันตายม่นานกับตัวแข็งถ้า แ, แข็งแล้วก็หมดละไปฝังซะแต่ทํายังไงได้ไมเผากัฝังหนะมาตายแต่ถึงยังไงกระตีหลวงพ่อได้พูดให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังตลอดถึงพระกุบาทุกองคศรัทธาญาติโยมที่รู้จักกับแบ เมื่อหมาตายไปแล้วก็คือสมาชิกในกลุ่มของเราได้จากไปหนึ่งชีวิตพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ให้อุทิศส่วนกุศลให้กับแบร์ด้วยแปลว่าแบร์ได้พบหนึ่งชาติหนึ่งแล้วเกิดเป็นหมาแต่ยังดีอยเป็นหมาวัดมันก็ไม่ได้หลังแกเบียดเบียนใครเป็นหมาที่รู้จักภาษาคนพอสมควรหมาแบร์ตัวนี้ตัวใหญ่อีกต่างหาก อายุก็ประมาณ78ปีถ้าจะเปรียบเทียบกับอายุของคนก็ประมาณทัก 5-60 หกสประมาณ50กว่ากว่าหกปีเพราะหม า, มาตามปกติหนึ่งสปีหมาบ้านนอกของเราใน12ปีแต่หมาที่เขาเลี้ยงอย่างดีแบบธนุถนอมประมาณ16ปีอย่างมากที่สุดชีวิตของหมาตัว น, นี้ก็ได้78ปีก็เอาเอาละหมดไปชีวิตหนึ่ง แต่พวกเราอยู่เบื้องหลังกะนั่นนะวันนี้พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรก็พร้อมใจกันหรือ ว, ว่าพร้อมกันอุทิศส่วนกุศลถึงดวงวิญญาณของเขาด้วยให้เขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีเกิดเป็นมนุษย์ซะอย่าไปเกิดเป็นหมาเกิดเป็นหมาเนี่ยแปลว่าหลงภพหลงชาติมาเกิดต่อไปคงจะได้เกิดเป็นมนุษย์มั่งเพราะในิสัยเขาดีเพราะสมควรอยู่แบเนี่ยนี่แหละอันนั้นคือส่วนหนึ่งที่ หลวงพ่อได้บอกกล่าวว่าสมาชิกของพวกเราได้จากไปตัวหนึ่งชีวิตหนึ่งวันนี้เป็นวันพระแรม14บ่ค่ำเดือนเจแปลว่าวัน15คห้าำหน้าเนี่ยเดือน8เพนเนี่ยเป็นวันเข้าพรรษาวันนั้นหลวงพ่อได้ย้ำเตือนกับคณะทายาิโยมลูกหลานทุกคน ที่เป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทที่เป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ใฝ่ในการกุศลผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและขาให้พวกเราทุกๆท่านตรวจตราและเตรียมพร้อมว่าในพรรษาเราจะทำอะไรที่ให้เป็นกฎเกณฑ์เป็นหลักยึดทางด้านจิตใจของเราถ้าว่าใครยังติดบุหรีก็เอาตั้งจิตอธิษฐานงดบุหรีในพรรษา ใครติดเล่าก็งดในพรรษานี้ทดลองหน่อยซิเด็ดขาดถ้าว่าใครติดการพนันก็งดในการพ น, นันดูซิสามเดือนไม่พอจะรวยหรอกถ้าจะรวยมันรวยมาพอแรงแล้วละ่ะนะเรียกว่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีในตัวของเราแต่ละท่านมันไม่เหมือนกันผู้หนึ่งอาจจะหนักทางหนึ่งผู้หนึ่งอาจจะหนักทางหนึ่ง แต่ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองแต่ละคนเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราตรวจตราดูตนเราว่ากิเลสตัวมันสกัด ย, กยากตัวเหนีย ว, วตัวที่มันแก้ได้ยากก่อนเข้าพรรษาเราจะขันเอาลวดสลิงขันใส่ต่อไม้เลยขันใส่ต้นเสา แ, แข็งไม้ให้มันอยู่สามเรือนไม่ให้มันกระดุกกระดิกกิเลสตัวนี้ เราพยายามขันเสนอใส่กิเลสตัวนี้ให้มันอยู่อย่าให้มันออกมาเพ่นพ่านในพรรษานี่ทดลองดูซินะให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานคำว่าอธิษฐานคำนี้คือทำจิตใจให้มั่นคงไม่ให้มันหล่อแหละอย่าให้โกหกตัวเองพอจะทำมาไหนก็ไหนะโกหกต่อแหล่โกหกตัวเองไปเรื่อยๆเป็นวันๆเดือนๆปีๆเลยเป็นคนหล่อแหละ ล้มเหลวหลกเล่หไปเพราะนั้นขอให้พวกเรานะในพรรษาที่จะถึงนี้ควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าคนคิดดีทำดีพูดดีแล้วนะ่ะบุญกุศลก็หลั่งไหลเข้ามาถ้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วนะก็อกุศลทั้งหลายก็หลั่งไหลเข้าอีกเหมือนกันเพราะนั้นในพรรษาที่จะถึงขอให้พวกเราคณะรัตย า, า, าติโยม วางแผนเอาไว้ตั้งใจเอาไว้วางแผนอันไหนที่มันจะมาเกี่ยวข้องอันไหนที่มันจะทําให้เร า, เาที่ไปไม่ได้เราคนนั้นพยายามคิดให้ดีแล้วก็ปรับปรปุงแก้ไขผู้ที่อยู่ใกล้หรือบอกกล่าวผู้ที่อยู่ใกล้ในพรรษานี้เราโดยดเฉพาะอย่างยิ่งสองสามีภรรยานะถ้ามีอายุขึ้นมาแล้วก็ในพรรษานี้นะ เราควรจะมอบกิจการอันไหนให้ลูกดูแลซะพวกเราควรจะเข้าวัดไหว้พระรักษาศีลทุกวันพระอย่าได้ขาดะอย่างน้อยก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของเราสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราทุกๆท่านไม่ใช่ว่าแนะนำมาวัดหลวงพ่อทีเดียวไปวัดไหนก็ได้ที่เป็นครูบาที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใส หรือจะมาวัดหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อก็ไม่ได้ขัดข้องคนที่ประกอบคุณงามความดีแต่ทางนี้ทางนั้นอย่าไปเหมาว่าหลวงพ่ออินชักชวนให้พวกเรามาแล้วไม่อยากจะให้ไปวัดอื่นอย่าไปคิดอย่างนั้นอันนั้นแปลว่าคิดสั้นต้องคิ ด, ดยาวๆคิดเพื่อตัวเองเราประกอบคุณงามความดีที่ใดก็นั่นแหละเป็นคุณงามความดีใส่ตัวเองทั้งนั้นะ ไปที่ไหนเกิดประโยชน์เราก็ควรจะรู้ว่าไปที่ไหนเกิดประโยชน์ไปแล้วก็สบายอกสบายใจได้นั่งภาวนาได้ปฏิบัติธรรมหรือไปแล้วก็ได้ฟังได้ศึกษาครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนรู้จกักศีลรู้จักธรรมรู้จักอัดรู้จักธรรมรู้จักปฏิบัติเราก็ควรจะไปณสถานที่นั้นๆแหละเมื่อฟังเสร็จแล้ว เราจะไปที่ไหนไปปฏิบัติที่ไหนที่สงบสงัดเราก็นั่นไปหาหมุมที่สงบสงัดเมื่อเราได้ยินแล้วนะอย่างวัดของเราก็เหมือนกันที่สงบสงัดมีต่างเยอะแยะไปต่างฝ่ายผู้ชายก็เหมือนกันนั่นนี่นู่นบ้านพักทางตาหนักบ้านพักเนี่ยมันควรจะให้คนไปพักวันพระก็ได้ผู้ชาย ไปนั่งภาวนาอยู่ที่นั่นไปปฏิบัติอยู่ที่นู่นแต่ทิ้งไว้เฉยๆก็มีตำมดขึ้นไปถ้ามีคนขึ้นไปก็ไปทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูไปภาวนาอยู่นู่นก็ได้นี่ยเลยจะไปภาวนาอยู่ตามกุฏิเล็กๆที่มันว่างก็ได้ล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายได้เมื่อเข้ามาสมาทานศีลแล้วกว็หาหมุนสงบตั้งใจภาวนาเพราะว่า เราปล่อยจิตปล่อยใจมาขนาดนี้แล้วอายุเท่าไหร่ถามอายุของตนเองสิข้าอายุเท่าไหร่ทางด้านจิตใจของเราเราได้แนวเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของเราเพียงพอหรื อ, อยังนี่แหละอันนี้ให้ถามตนเองถ้าว่าถามคนอื่นถามบางทีถามแล้วก็เหมือนกับเจยอยหยันคนอื่นทําให้ตัวเองไม่สบายใจหรือโมโหให้เขาอีกต่างหาก ถ้าว่าถามตนเองตัวเองรู้ว่าค่าเนี่มากน้อยอย่างไงแค่ไหนเนีสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราจิตใจก้าไปถึงไหนจิตใจรู้สึกว่าปล่อยวางมากน้อยแค่ไหนหรือมันอยู่ในวังบนเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่หรืออยู่ในวังวนโลกธรรมแปอยากจะให้เขาสรรเสริญทุกวี่ทุกวัน อยากจะมีลาบอยากจะมียศอยากจะมีสรรเสริญทุกทุกวีทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกอย่างนั้นใช่ไหมแต่เราก็ยังไม่สรรเสริญเขาเขาจะให้สรรเสริญเราได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้มันได้อะไรบวกลบคูณหารดูสิสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงย้อนดูแล้วก็ย้อนเขาแล้วก็ย้อนเราย้อนดูเหตุการณ์ นี่แหละอันนี้ก็คือใช้ปัญญาพิจารณาทบทวนทุกการเป็นอยู่ของเราเมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาทบทวนในการเป็นอยู่ของเราการเคิดธรรมพูดของเราอันไหนที่มันหย่อนยานอันไหนที่มันเกินไปเกินไปคืออะไรคล้ายๆว่าเห็นใครมาก็มีธโมโหโกธาพูดอะไรกระแนะแนหให้กับเขานีอันนี้มันเกินไปจระเรานี่นะ สิ่งที่มันเกินไปมันก็มีมันได้อะไรต้องถามตนเองมันได้อะไรเราได้อะไรเขาได้อะไรที่เราทำอย่างนั้นที่เราพูดอย่างนั้นที่เราคิดไปลักษณะอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้ตัวเองนะสรุปแล้วคืออย่าให้ขาดทุนในการคิดอย่าให้ขาดทุนในการกระทำอย่าให้ขาดทุนในการพูดสรุปแล้วอย่างน้อยเสมอตัวหรือว่าได้กาไร ทำอะไรขาดทุนผลปีดไม่ดีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะในพรรษาที่จะถึงเนี่ยอีกจากนี้ไปส5บห้าวันขอให้พวกเราทบทวนการเกิดมาของเราทั้งชีวิตเ้วก็มองไปข้างหน้าอีกเราจะยืนยาวไปสักเท่าไหร่แล้วเงินทุนของเราบุญกุศลของเราเป็นที่อุ่นใจหรือยังที่เราจะ ไปภายภาคหน้านั่นแหละให้พวกเราย้อนหน้าย้อนหลักทบทวนในการเป็นอยู่ของเราถ้าพวกเราได้คิดทีทวนอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวพวกเราจะไม่ขาดทุนได้เกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าได้พบบัณฑิตนักปราช ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์าำว่าบัณฑิตนักปราชคำนี้นะอย่าไปคิดว่าหลวงพ่ออินนะแต่คิดอย่างนั้นก็สั้นเกินไปแต่คิดยาวๆนะบัณฑิตนักปราชคืออะไรบัณฑิตนักปราชคือศีลห้าศีลห้าของพระพุทธเจ้านั่นบัณฑิตนักปราชถ้าเราเข้าไปครบบัณฑิตนักปราชแล้วก็ได้ปฏิบัติตามบัณฑิตนักปราชคือศีลห้า จากนั้นก็เรื่องทานบัณฑิตนักปราชญ์ท่านสอนให้ทานให้การเสียสละบัณฑิตนักปราชญ์ท่านสอนให้นั่งสมาธิบัณฑิตนักปราชญ์ท่านสอนให้เดินภาวนาวิปัสนาเนี่ยแหละล้วนแล้วแต่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ทางนั้นนั่นแหละประทมคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือบัณฑิตนักปราชญ์เราจะไปคิดว่าคนนั้นเป็นบัณฑิตคนนี้เป็นนักปราชญ์ แต่วันนี้เนียคนทั้งหลายก็ยกเนี่ยคือปราดเลพอไปมาปราดเอีโกหกก็มีต้มตุ๋นคนก็มีหลอกลวงค น, คนก็มีอผลให้สูก็เลยตัวเองก็เล ย, เ, ยเสื่อมศรัทธาไม่ใช่เสื่อมที่อื่นะเสื่อมศรัทธาในคนเลวอันนั้นมันเรื่องของเขาถ้าศินห้าของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะอดูสิท่านสอนไว้นักปราดเนี่ยห้าข้อเนะี่ย อย่าฆ่ากันนะเป็นยังไงการไม่ฆ่ากันอย่าขาโมยของคนอื่นเขานะให้เคารพสิทธิสามีภรรยาคนอื่นเขานะอย่ากโกหกเขานะอย่าดื่มสุราหรือของมึนเมาให้ขาดสตินะอันนี้แหละบัณฑิตนักปราชญ์เรามาพิจารณาดูซิที่ท่านสอนไว้นะ่ยมีคุณค่ามีประโยชน์ไหมเนี่ยถ้าว่ามีคุณค่ามีประโยชน์เราก็เนี่ยแะให้ครบ กับบัณฑิตนักปราดบัณฑิตนักปราดท่านสอนยังไงเราก็ปฏิบัติตามนั้นเมื่อเดินตามบัณฑิตนักปราดแล้วนั่นแหละมีแต่ความเจริญมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขทางกายทั้งใจการอยู่นสถานที่ใดก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเพราะอะไรเพราะเราปฏิบัติตามที่บัณฑิตนักปราดท่านสอนเอาไว้แต่ถ้าเราอยู่นสถานที่ใดมีแต่ทิฐิมานะ พูดอะไรก็ไม่ได้แต่คลังกิเลสโมโหโกธาขึ้นมาอันนี้แปลว่าเรามาสั่งสมกิเลสเข้าสู่จิตใจกิเลสโทสะกิเลสโมหกิเลสราคะถ้าเป็นคลังกิเลสยู่นั่น่ะไปแตะไม่ได้เหมือนกับแตะหลังมดแดงหลังไหลออกมาออกมาเป็นพลูไล่กัดคู่กัดคนนี่นแหละก็นับว่าคลังกิเลสถ้าเป็นคลังธทำแล้วนะ่ะ ชาหว่าถามเข้าไปเลยพูดออกมากันมีแต่สิ์มีแต่ทรรมออกมามีแต่บอกกล่าวแนะนำได้ยินแล้วก็สบายอกสบายใจผู้ที่ได้คบค้าสมาคมแปลว่าเข้าไปอยู่ใกล้บัณฑิตนักปราชญนะ์เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระธรรมคำสอนทาตนให้เป็นคนดีถ้าเราเป็นคนดีแล้วตายแล้วศูนย์ก็ไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหน ถ้าตายแล้วเกิดมันก็ดีมีประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลถ้าเรายังไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญถ้าเราทําคุณงามความดีก็ไม่เห็นเสียหายที่ตรงไหนในเพื่อนมนุษย์ชาติของเราก็ยอมรับกันใครต้องการคนดีทั้งนั้นแหละภรรยาก็ต้องการสามีดีต้องการลูกดีสามีก็เหมือนกันต้องการภรรยาดีต้องการลูกดีต้องการวงศาคณาญาติเป็นคนดีต้องการครูบาอาจารย์ดี ลูกศิษย์ผู้บาจารย์ก็เหมือนกันต้องการลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีหลวงพ่อเหมือนกันจริงหลวงพ่ออินก็เหมือนกันอยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่มาเกี่ยวข้องเป็นคนดีที่มาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อหลวงพ่อเองก็พยายามทําตนให้เป็นคนดีดีสําหรับสิทธิ์ญาติวิสิทธิ์มาให้ขายหน้าขายตาลูกศิษย์ลูกหา การกระทําหรือการพูดเรื่องการนาเนินจิงไหนก็ตามจะให้ดีที่สุดเพื่อเป็นสางาราศีสําหรับกลุ่มของพวกเรานะี่นี่แหละถาาว่าพวกเราทุกๆคนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะพวกเรากลุ่มของเราเรื่องว่าคณะของเราไปอยู่แท้สถานที่ใดอยู่ไกลกันขนาดไหนถ้ามีความทุกข์ยากลําบากก็ เรียกร้องหาการช่วยเหลือกันได้เพราะต่างคนต่างมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมไม่ใช่ว่าจะสุขอย่างเดียวทุกอย่างเดียวบางทีมันก็มีต้องการความช่วยเหลือจากหมู่จากเพื่อนต่างบางครั้งก็เออไม่ไม่จําเป็นเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์หมูสัตว์พวกนะคำว่าเป็นมนุษย์ต้องการหมู่พวกเพื่อนที่เป็น ผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีถ้าว่าอยู่ด้วยการมีแต่เคี่ยวมีแต่เล็บมีแต่หญิงเคี่ยวใส่กันมีแต่อาโลมโมโหโกธาอันนั้นต์แปลว่าอยู่ด้วยกันด้วยความไม่ผาสุกเพราะฉะนั้นพวกเราเนาะถ้าว่าผู้ใดเป็นคนดีก็ถือว่าเป็นกระยานมิตรควรจะช่วยเหลือเจือจานกันมีเมตตาต่อกัน แต่ถ้าหากว่าดูดูแล้วมันเข้ากันไม่ได้อันนี้วะตรงระมัดระวังเขาเป็นคนดีจริงไหมหรือเราไม่ดีหรือเขาดีเราก็ต้องตรวจตราดูอีกอถ้าว่าเขาดีเรานั้มันมีสวดไหมที่เขาตําหนินั้นถูกต้องไหมที่เราควรจะปรับปรุงแก้ไขเราไหมสรุปแล้วถ้าว่าเรามีปัญญานะอเรามีปัญญาเราเข้าได้ทั้งหมดเออ เราก็ไปหาลังต่อลังแตนก็ยังได้วันไรเข้าไปหาเราก็จะไปเอาไม้ไปแย่มันเล่นใช่เราก็ไปเฉยๆอย่าไปให้กระทบกระเทือนกับลังต่อลังแตนเราเดินผ่านไปก็ระมัดระวังสำเรืองตาดูว่ามัมนมีปฏิกิริยาไหมขนาดเข้าไปอยู่ใกล้ลังต่อลังแตนก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่หากว่าเราไม่ระวังก็อย่างว่าพอไปก็เอาควันลมมันบ้าง เอาไม้แห่มันบ้างไปเคาะไม้ปกๆๆขยอมันบ้างเพอาะในสุดต่อแดนมันลงมาต่อยเรานะเจะไปติลั่งต่อร่างแดนทีเดียวเขาไม่ได้พ อ, อเรานะไปหาเรื่องออสิ่งเหล่านี้เราไปหาเรื่องหรือเปล่ามีไมออ้อย่างน้อยก่อนนะเราไปพูดกับที่ไหนไว้ เ, เขาจึงได้ยินข่าวมาหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เนะ่ะ ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายมันมีเหตุจะก่อนมันยังค่อยมีผลเกือบทุกเรื่องแต่บางเรื่องก็อย่างว่าบางทีไม่มีเหตุมีผลจะเลยเอาหม่นไสเราอันนั้นมันแก้ไม่ได้อีกเหมือนกันจะทํายังไงได้แต่ถึงยังไงเราก็ทําำไม่รู้ไม่ชี้ทาเป็นคนดีซะเหมือนกับหมาเห่าเราเน่ยเราไม่เคยเห็นหมาเนี่ยแต่เดินผ่านมันก็เห่าเอาจริงเอาจังอะเราจะไปเห่าเราก็ทําท่าคานเหมือนหมาไปเห่าเหมือนกับหมาน่ย มึงเห่ากูกูก็เห่ามึงงเออมันก็ไม่แพ้หมาหมากัดเราเราไปกัดขาหมาเราก็ยิ่ร้ายกว่าหมาไปเองไงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเป็นแนวความคิดออให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดออทุกๆคนนั่นะอยู่ด้วยกันมากมายนั่นลนะลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเนี่ยนะนะออถึงจะมากมายขนาดไหนก็เถอะเนี่ยให้มองเหตุมองผลออการอยู่ด้วยกัน หลวงพ่อเคยบอกกล่าวเคยย้าอยู่เสมอว่า น, นิ้วมือของเรายังไม่เสมอการแต่มันยังแตกต่างกันวันนั้นเราจะให้ใจของคนเสมอกันได้อย่างไรบางครั้งใจของเราก็ยังกรบฟัดกับเฟื่อดยังกระเพื่มและคนอื่นละ่ะจะให้เขาเป็นพระอรหันต์แต่ขนาดพระอรหันตั้งห้าร้อยลูกความคิดเห็นยังไม่เหมือนกันแต่ใช่ในส่วนลึกความบริสุทธิ์นั้นเสมอกัน แต่แนวความคิดนี่ยภายนอกเนี่ยเพราะว่าต่างคนก็ต่างเกิดมาจากสกุลต่างๆเกิดมาจากสกุลชาวนาชาวสวนข้าราชการแต่ระดับเกิดมาจากเวียงจากวังจะได้การเกิดมาของแต่ละคนการเป็นอยู่การหล่อล้อมขึ้นมาจากเด็กจนถึงผู้ใหญ่เนี่ยมันแตกแตกต่างกันกิริยามารยาทมันต่างกัน แต่เมื่อภาวนาแล้วตัดกิเลสราคะโทสะโมหะความบริสุทธ์หลุดพ้นเเหมือนกันจุดนั้นเหมือนกันแต่ว่าการเป็นอยู่มันต่างกันการพูดและการแนวทางการดำเนินชีวิตมันต่างกันเพราะมันอยู่คนละมุมกันมันคนละสถานะกันแต่ถึงยังไง ถึงจะคนระสถานะก็ตามถ้าท่านะเป็นพระอรหันต์ท่านหมดกิเลสราคะโทสะโมหะท่านอยู่กันได้แต่พอแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันต้องแตกต่างกันเพราะหลายเพราะาการเป็นอยู่มันไม่เหมือนกันในจุดนั้นจุดข้างนอกนะแต่ความรู้สึกนั้นเหมือนกันจะให้ท่านทะเลาะ ก, กันท่านไม่ะเละเพราะกิเลสท่านตัวตัดออกหมดแล้วกิเลสราคะโทสะโมหนะไม่มี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทาว่าหลวงพ่อจะอธิบายให้ฟังว่าอย่างไงที่ว่าพระอรหันต์ไม่มีความเห็นเสมอกันหลวงพ่อจะแยกให้ฟังเนี่ยให้ฟังนิดหน่อยเพราะเป็นแนวทางก็คือเนี่ยพระมหากรจรป่าว่าเราจะถอนชิก ข, ข่าบทเล็กน้อยนะ่ะใครเห็นพ้่องเห็นยังไงที่พระพุทธเจ้าสั่งว่าอาบัตเล็กน้อยที่เราตถาคตบัญญัติไวนะ้น่ะเมื่อเราปรินิพานไปแล้ว เมื่อเราตายไปแล้วปุตไงไ่ายๆพระองค์สั่งพระอานุ์เมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วนะอนุ์นะอาบัตเล็กอาบัตน้อยอาบัตจุ๋มยิ่มที่เราบัญญัติไวนะ้น่ะพวกท่านทั้งหลายไปชุมหาลือกันนะจะถอนก็ถอนได้นะ้นตรงไหนอย่างไรให้ช่วยกันคิดนะี่แหละพระมหากระจาป่าก็ต้อบอกเอาถอนด้วยสิเราจะถอนอยังไงที่พระพุทธเจ้าสั่งเสียเอาไว้นะี่พระหันทั้งห้าร้อองค์นะ่ะ เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดแตกฉานด้วยปฏิสัมพิทายาณอีกต่างหากความคิดไม่ลงกันคนหนึ่งครจะถอนตัวนั้นคนหนึ่งว่าจะถอนอย่างนี้อผลในสุดก็เลยพระมหากสรตะปาอูความคิดของพวกเราเนี่ยไม่เอกฉันเอาไว้ทั้งหมดดีไหมไม่ต้องถอนนะพระสงฆ์ทั้งหลายเออเห็นด้วยเอาไว้ทั้งหมดไม่ต้องถอดถอนเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้ว ไม่เกิดประโยชน์ในยุคของเราอาจจะเกิดประโยชน์ในยุคหน้ายุคต่อไปเอาไว้คงเดิมฮะนี่แหละสรุปแล้วก็คือที่พูดให้ฟังย้บให้ฟังนั่นคือว่าขนาดพระรหันยังไม่เอกฉันในความคิดเห็นภายนอกยังมีการเห็นแปกแตกต่างกันอยู่ทั้งที่เออเราจะสอนชิกคบดเท่านั้นเออใช่เห็นด้วยชิกคบดนั้นควรถอนเออเห็นด้วยเออไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นนะ น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ไงพระนิสสุก็เลยไม่เอกฉันะเพราะนั้นปุตุชนเราไม่ต้องพูดถึงแล้วทีนี้ถึงขนาดพระอรหันต์แล้วยังเป็นอย่างนั้นอย่งปุตุชนอย่างพวกเราเราจะทําใจอย่างไงอยากจะให้คนอื่นเอาอย่างใจเราทั้งหมดใช่ไอมพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่ออินพูดยังไงเชื่อทั้งหมดนะพวกท่านทั้งหลายอย่าเป็นอย่างอื่นนะอถ้าหลวงพ่ออินคิดได้แล้วหลวงพ่ออินก็โง่ตายอีกเหมือนกันออจะทำอย่างไง หลวงพ่ออินต้องโง่แต่ทั้งยังไงหลวงพ่อก็ต้องแนะนําบอกกล่าวเออเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคณะสัตยาญาณโยมลูกหลานนะ เ, เรื่องราวเป็นอย่างนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้ศีล ธ, ธ, ธรรมเป็นอย่างนี้นะแต่และพวกเราก็นําไปคิดกันกลองไตรตรองเหตุและผลจากนั้นก็เออจริงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเออเป็นแนวทางที่ดีฮจากพวกเราก็นําไปประพฤติปฏิบัติเมื่อนําไปประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยหลวงพ่อได้อะไรจากพวกเราก็ไม่ได้อะไร มีแต่ว่าเออได้แนะนําสังสอนสิทธญาณุสิทธ์ศรัทธา ญ, ญาติโยมที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้ให้ความรู้ความเห็นเรื่องศีลธรรมต่อไปภายภาคหน้าพอเราก็จะได้แนะนําบอกกล่าวเป็นสิทธยาลุสิทธ์ของพวกท่านทั้งหลายต่อไปภายภาคหน้าเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยอยู่กับหลวงปูล่ลาอยู่กับหลวงตาเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านได้อะไรหลวงปูล่าลาดหลวงตาเนี่ยขั้นจุดตินิตพานไปแล้ว ท่านไม่ได้มุ่งหวังอะไรกับหลวงพ่อนีหลวงพ่อได้ทําคําสอนของท่านมาหลวงพ่อก็ถ่ายทอดต่อเองเออให้พวกเราท่านทั้งหลายเพราะหลวงพ่อเห็นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ความรู้กับหลวงพ่อมาเนี่ยนะเลิศประเสริฐเพราะฉะนั้นเราต้องถ่ายทอดให้กับลูกหลานจะทายาติโยมเพื่อเป็นแนวทางนําไปประพฤติปฏิบัติ ต, ต่อไปนี่แหละพวกเราทั้งหลายได้เลยก็ต่อไปเองนี่แหละทําให้ พระธรรมคำสอนหรือพระพุทธศาสนายืนยาวไปเหมือนกับเรารักษาแหล่งน้ําสะอาดนั่นน่ะน้ำไหลออกมาจากภูเขาเราก็พยายามรักษาอย่าให้คนไม่รู้มาทําความสกปรกลงใส่น้ําของเราเราก็พยายามช่วยกันรักษาแม่น้ําสายนั้นก็ยืนยาวไปนานเท่านานแต่ถ้าว่าคนไม่เห็นคุณค่าฮเห็นมาเลยคือทั้งขี่รถเดี่ยวรถทําสกปรกลงไป น้ำสายนั่นก็หมดสภาพไปแปลว่าหมดไปเพราะไม่มีใครดูแลดูแลรักษาหมดไปทั้งที่จะรักษาไปให้เกิดประโยชน์ต่อนานนานเท่านานแต่คนโง่เง่าหรือ ว, ว่าคนที่ไม่รู้จักคุณค่าก็ทําร้ายทําลายไปซัก็ได้จบไปนี่แหละที่พวกเราเห็นคุณค่าที่น้ําไหลออกมาจากภูเขาเราก็พยายามแนะนํำบอกกล่าวให้กับผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเออ น, เน้ําเลย อย่างนี้นะสะอาดน ะ, ะแล้วกรรมคือการกระทํานะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะนรกสวรรค์มีจริงนะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะให้พวกเราประกอบคุณงามความดีนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทได้นี่แหละอะคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่ได้บอกกล่าวมาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินทุกวี่ทุกวันนะะวันนี้ก็เป็นวันสําคัญ อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวอีกสิบห้าวันจากนี้ไปเป็นวันเข้าพรรษาอตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พอ